จะเล อ, พอนพรนิยมมากได้ซีดีกันหรือยังได้ได้แล้วก็ไปฟังก่อนนะหลวงพ่อก็เทศเหมือนกันทุกทีแหละนะฟังบ่อยๆก็แล้วกันถ้าฟังไปถึงจุดหนึ่งนะสติจะเกิดซีดีหลวงพ่อไม่ใช่สำนวนแบบเทศนาโมหาะแบบอบรมสั่งสอนให้ทำทานถือศีลอะไรอย่างนั้นนะ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 ถ้าเราสามารถรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ซ้าแล้วซ้าอีกถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นความจริงปัญญาเป็นความเข้าใจจิตใจมันจะเข้าใจสภาวธรรมทั้งหลายนะทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเนี่ยว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้จิตใจจะมีแต่ความสุขถาวรแล้วคานี้ ในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยกรอบของมันมีเท่านี้เองพูดให้ย่ อ, อกว่านี้ก็ได้นะหผมพ่อเคยศึกษากับท่านอาจารย์มหาบัวเคยสอนหพ่อการปฏิบัติเนี่ยนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันประโยคสั้นนิดเดียวนะมาองสั้นกว่านี้อีกนะมีหลวงปู่ทาตอนนี้ยังอยู่อยู่ทําซับมืดมีสติรักษาจิตสั้นนิดเดียวลงผู้ดูอยู่สั้นนะดูจิตสั้นนิดเดียว จริงๆธรรมะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าหลักของการปฏิบัตินี่สั้นนิดเดียวถ้ายังดูจิตไม่ได้ก็ดูกายอย่าให้เกินกายออกไปเพราะฉะนั้นอาจารมาหาบัวท่านสอนท่านตีกรอบเลยอย่าให้เกิดกายออกไปรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันเนี่ย้ลงเป็นปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่กายใจเมื่ออดีตเมื่ออนาขตเราลงปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นของจริงนดีอนาคตมันไม่ใช่ของจริงแล้ว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 ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเองนี่เองเนความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเราเรียนรู้ Soul ลงมาอย่างท่องแท้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าความทุกข์ทางกายนี่ห้ามไม่ได้เป็นผลปล่อยได้จากการมีร่างกายแต่ความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่หามาเองเป็นหาเอาใหม่ในปัจจุบันนี่เองเังนความทุกข์ทางกายเนี่ย <para. S 1> เป็นผลของกรรมเก่านะผงกรรมเก่า dangerous. Network, ได้ร่างกายมาแล้ว แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างแล้วแต่กรรมหล่อเลี้ยงไหมความทุกข์ทางจิตใจในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆถ้าหากเราพอนาเป็นเนี่ยเราจะขจัดต้นเหตุของความทุกข์ทางใจออกไปได้ให้เราคอยสังเกตลงที่จิตที่ใจใการปฏิบัติถ้าอยากเอาสั้นๆแบบโตแล้วเรียนรัดนะเอาแบบสั้นๆเลยให้คอยสังเกตที่ใจของเราไว้ดูซความทุกข์มันมาได้ยังไง สัง เ, เกตเข้าไปความทุกข์มันมาได้ยังไงเราจะเห็นเลยว่าบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆนะแต่เราก็คิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะคิดนะอยู่ๆหน้าคนคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บนึกได้นางคนนี้โกงแชร์เราเมื่อสิกปีก่อนเข้าใไหมเอานึกได้เห็นไหมไม่ได้เจตนาจะนึกนะมันนึกขึ้นได้เองทีแรกหน้าไอ้คนนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะนึกถึงอยู่ๆก็โผล่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 แล้วก็ปรุงแต่งต่อไปแล้วทําทยัางไงจะไปแก้แค้นมันได้ตัวเนี้ยตัวเริ่มปัญหาแนละ้วจิตใจจะเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่สภาวธ ร, รรมใดๆเกิดขึ้นนะจะเป็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศล น, นะสภาวธรรมเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาอย่างเช่นเราเดินช้อปปิง้งไปนะไปเห็นของสวยๆอยากได้ขึ้นมาใจมันมีโลภขึ้นมาตัวนี้ยังไม่ใช่ปัญหาแต่พราะ เกิดโลภะขึ้นมาเนี่ยใจมันจะดิน้นเนี่ยตรงที่ใจมันเริ่มดิ้นเนี่ยแหละตัวปัญหามีกิเลสขึ้นมาแล้วเกิดการกระทํากรรมเกิดการกระทํากรรมคือเกิดการดิ้นรนทางใจใจมันจะดินด้นดิน้นดิ้นเนี่ยตรงที่ใจมันดิ้นรนนี้แหละเป็นตัวปัญหาในปัจจุบันแนละ้ทันทีที่จิตใจมันเริ่มดิ้นเนะ่จิตใจมันจะมีความทุกข์จิตใจที่ดิ้นนี่เรียกว่าพบนะภาษาบาลีเรียกว่าพบพอสำเพอพอผานชื่อเต็มๆว่ากรรมมาพบ คือการทํางานของจิตเมื่อไรที่จิตทํางานเนี่ยจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นโดยอัตโนมัตินะนักปฏิบัติเนี่ยมีหน้าที่คอยมีสติไว้พนะอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสรสชาตธทมอารมณ์พอกระทบๆมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอมีความยินดีมีความยินร้ายขึ้นมาแล้วจิตจะเกิดการทํางานคราวนี้ทํางานในปัจจุบันหรือสร้างพบใหม่ในปัจจุบัน การที่รูปเสียงกลิ่นรสอะพวกนี้มากระทบพลัธผ้ามากระทบนะดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นผลของกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่ากรรมเก่าไม่ดีก็สิ่งที่มากระทบไม่ดีกรรมใหม่กรรมเก่าดีนะสิ่งที่มากระทบก็ดีแต่พอกระทบแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอจิตเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยจิตจะทํากรรมใหม่ตัวเนี้ยตัวเนี้ตัวนี้ตัวสําคัญนะต้องคอยรู้ทัน เนีย่ยพอมันนึกถึงคนนี้นเปลี่ยนน้ำอยากฆ่าเขาวางแผนฆ่าเขาในี่ใจปรุงแต่งแนละ้วใจปรุงแต่งหรือว่าโทสะเกิดขึ้นมาพอสติไปเห็นโทสนะเสร็จแล้วไม่ชอบโทสะอยากให้โทสะหายนะหรีบพิจารณาอะไรต่ออะไรใหญ่นะรีบเจริญเมตตาอะไรนี่คือความปรุงแต่งใหมนะ่คือกรรมใหม่นะหรือว่านะราคะเกิดนะจิตใจก็ทางานปรุงแต่ง อะไรๆเกิดขึ้นในใจมันจะคอยปลุงแต่งต่อเมื่อถ้าตัวสภาวธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ตัวปัญหาห้ามมันไม่ได้สภาวธรรมจะเกิดนี่ห้ามไม่ได้แต่ถ้าสภาวธรรมเกิดพอจิตไปรู้เข้าแล้วนะทั้งรูปเสียงติรัรโทพราห์ธรรมารงพอจิตไปรู้เข้าแล้วนี่จิตจะเกิดความยินดียินร้ายแล้วจิตทํางานทันทีที่จิตทํางานจิตจะมีความทุกข์ ให้เรามีสติรู้ทันความ giving, ยินดียินร mm ้ายพอตามองเห็นเกิดความยินดียินร้ายมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงนะเช่นเขาชมเราเนี่ยเรายินดีให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเราจะปรุงแต่งทางใจของเราเองปรุงใหม่ถ้าได้ยินคำด่าเนี่ยเราก็เกิดโมโหขึ้นมามันก็ปรุงแต่งอีกให้รู้ทันที่ความปรุงแต่งอันใหม่นะความยินดียินร้ายแล้วก็เกิดความปรุงแต่ง ไม่คอยรู้ไปอย่างนี้ไปมีสติรู้ไปด้วยจิตใจมันจะไม่ดิ้นรนจิตใจมันจะไม่ทํางานจิตใจมันจะมีความสงบสุขอยู่ในปัจจุบันอันนี้เราสงบสุขด้วยการมีสตินะนี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนี่พอสภาวะธรรมเกิดแล้วจิตดีดีร้ายเรารู้ทันจิตมันจะเป็นกลางพ้จิตมันเป็นกลางเนี่ยมันจะสามารถรู้สภาวะธรรมนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมันจะรู้ได้อย่างเป็นกลางจริงๆ มันจะเห็นความจริงของสภาวธรรมเลยสุขก็เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่เดิมความสุขเกิดขึ้นมาก็หลงยินดเนีเกิดการทํางานอยากรักษาเอาไว้หรือดิ้นรนคนคว้าอยากให้ได้ความสุขมาอีกแต่เดิมความทุกข์เกิดขึ้นก็ยินร้ายหาทางขจัดหาทางทาลายมันหรือหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกมันจะเกิดการทํางานอย่างงี้ยนะเพราะว่ายินดียินร้าย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 เราก็จะรู้ความทุกข์ตามที่มันเป็นสักพักหนึ่งก็จะเห็นเลยความทุกข์เกิดขึ้นได้ก็ดับได้กุศลากุศลทั้งหลายก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นมาได้ก็ดับได้นักปฏิบัติในรักกุศลพอสติมาลึกได้ว่ากุศลเกิดขึ้นมาก็ยินดีอยากให้เกิดบ่อยๆอยากให้เกิดนานๆนะหาทางรักษาเอาไว้เกิดการทํางานทางใจจะรักษาความดีก็ทุกข์นะทุกข์แบบคนดี หรืออกูศนเกิดขึ้นมาเนี่ยใจไม่ชอบนี่นักปฏิบัติไม่ชอบนะก็หาทางขาจัดมันจนะิตใจเราก็ต้องทำงานมากขึ้นกว่าเก่ากแทนที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ปรุงแต่งไม่ทำงานนะกลายเป็นว่าเราทำงานมากกว่าเก่าความทุกข์ก็มากกว่าเก่านะคนชั่วก็ทุกอย่างคนชั่วคนดีก็ทุกอย่างคนดีเพราะว่ายึดถือในสภาวธรรมทั้งหลายนั้นแต่ถ้าเรามีสตินะ ความเป็นกลางเกิดขึ้นกับใจเราจิตใจเป็นกลางเห็นความสุขก็เป็นกลางความทุกข์ก็เป็นกลางคุสนะคสุสน์ก็เป็นกลางในที่สุดมันจะมีปัญญาขึ้นมาเห็นว่าความสุขก็ ข, ของชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศนะคุสนก็ชั่วคราวในความมีปัญญาเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของเราล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยต่อไปจิตมันจะไม่มีความยินดียินร้ายพอสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นกลางจิตไม่ยินดียินร้ายแล้ว แต่เดิมเนี่ยจิตไม่มีปัญญาพนะอเห็นสภาวธรรมแล้วจิตจะเกิดความยินดียินร้ายเราต้องมีสติไว้สูนะ้มีสติไว้รู้ทันจิตจะเป็นกลางพอจิตเป็นกลางเราก็รู้สภาวธรรมต่อไปจนเกิดปัญญาเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นของชั่วคราวนะจะไปพอสภาวธรรมมาเกิดขึ้นมานะจิตเป็นกลางเองเลยนะไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะยิ่งถ้าเราเข้าใจสภาวธรรมแจ่มแจ้งนะ จิตจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะจกนกระทั่งหมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นการที่เรามีปัญญานะปัญญาเนี่เป็นตัวที่จะแก้ปัญหาถาวรนปนะัญญาสูงสุดเลยคือการเกิดอริยมรรคจะไม่มีกิเลสขึ้นใหม่ไม่มีความปรุงแต่งขึ้นมาอีกนะนอันนี้หมายถึงถ้าปฏิบัติสุดฉีดแล้วนะเดินถึงอรหั ต, ตมรรคผ่านไปแล้วเนี่ยจิตจะไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอีกแล้ว จิตเขาปรุงของเขาได้แต่เราจะไม่ปรุงอีกละเแล้วจะ <Yeah. S 2> ไม่มีความปรุงแต่งตามหลังการรู้อารมณ์มันจะรู้อย่างสักด์ว่ารู้แล้วรู้แล้วจบลงแค่รู้เลย <Yeah. S 2> ยั้นถ้าเราภาวนามานะเบื้องต้นก็คอยดูไปตามลําดับ <Yeah. S 2> หัดรู้ก่อนว่ามีสภาวะอะไรกําลังปรากฏในใจเราเช่นใจเรากําลังโลภ ก, ก็รู้ทันว่าโลภใจเราโกรธก็รู้ว่าโกรธนะ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 ตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายและใจนี้ด้วยตัวเราไม่มีในที่ใดๆมีแต่กายกใจทำงานของเขาอย่างอิสระแต่ละตั ว, แ ต, ตวแต่ละตัวเขาทำงานของเขาไปพระโสดาบัตก็เห็นเรื่องกายเรื่องใจพระเศกษฐาตาาก็เห็นอย่างเดียวกันนี้แหละแต่สติเป็นไวสติเป็นไวอกูสลญยากลายเกิดไม่ได้แล้วเขากิเลสไว้ตัววัดสติเห็นเลยขาดสบั้นตรงนั้นเลย ภาสากิทาคาเลยกิเลสเบาวางะเสร็จแล้วเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งอันเดียวให้เราบิดมันไปก่อนพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงของกายแจ่มแจ้งจะเห็นเลยร่างกายเนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุพอเห็นอย่างเนี้ยหมดความยึดถือในกาย ทันทีที่หมดความยึดถือในกาย evet. ír, นาี่ก็คือการหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายในเหนงเพราะตาก็คือกายหูก็คือกายจมูกลิ้นก็คือกายนะกายก็คือกายเมื่อเราไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสและผดทัพพะผดทัพพะคือสิ่งที่มากระทบทางกายเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรพวกนี้นี่สิ่งเหล่านี้มากระทบมันจะไม่ยึดไปด้วย สภาว่าเหล่านี้เกิดขึ้นรูปเสียงกลินล่นรสประทับพาใดๆเกิดขึ้นในใจมันจะเป็นกลางอัตโนมัตินะไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสประทับพาอีกต่อไปนะเพราะไม่ยึดกายผู้ที่หมดความยินดียินร้ายในตาหูจมูกลิ้นกายในรูปเสียงกลิ่นรสโรทับพานนี้คือพระอนาคามีจะละ ก, กามและปฏิฆาได้โดยอัตโนมัตินะ เพราะว่ากามมันก็คือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัะฑ์ปฏิฆาก็คือความไม่ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นั่นเองเพราะฉะนั้นภาวนาไปเนี่ยมันจะละความยึดถือกายได้ก่อนต่อไปมันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยมันจะยึดถืออยู่ที่จิตอันเดียวนก็ต้องดูต่อไปอีกจนกระทั่งหมดความยึดถือจิตเพราะว่าเห็นว่าจิตไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะ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 รู้สึกไหมกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้แต่ถ้าเมืไรเรามีปัญญาแทงทะลุลงไปในกายนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆแล้วมันจะสลัดความยึดถือกายออกไปะแทงทะลุลงถึงจิตถึงใจจริงๆเราเห็นไหมจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนจิตให้ธรรมชาติใไ่ไม่ยึดกายไม่ยึดจิต mm hmm. ก็คือคืนตัวทุกข์ให้กับโลกเข้าไปนั่นเองเพราะงั้นเวลาเราภาวน า, าไปมากเข้ามากเข้านะ ถึงจุดหนึ่งเราสลัดคืนสลัดคืนกายสลัดคืนใจให้โลกเข้าไปจิตใจเราก็จะคึงขับสันที่สุขที่แท้ จ, จริงมันจะหมดความดิ้นรนหมดความทยานอยากใดใดทั้งสิ้นกนะารรู้ทุกแจ่มแจ้งรู้ว่ากายกใจเป็นทุกแจ่มแจ้งเนะี่ยจะทำให้หมดรักหมดยึดพอหมดยึดเนี่ยมันก็หมดอยากนะหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากนะ จะให้กายให้ใจทนทุกข์ไม่สนใจมันแล้วเพราะว่าคืนมันไปแล้วเหมันหมดความอยากดัง น, นการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนี่แหละเป็นอันละสมุทยัยละตัณหาได้เด็ดขาดนี่พวกเรายังทําไม่ได้พวกเราแค่มีสติแล้วก็สู้กับตัณหาได้เป็นคราวๆ ค, ความอยากความดีดีร้ายเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันก็พ้นเอาตัวรอดได้เป็นคราวๆ ตนกระทั่งใจเป็นกลางแล้วก็มารู้กายรู้ใจเป็นเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเขาเป็นไพร ล, ลักษณ์แล้วก็จะวางความนี้ถึงขั้นต่อยวางนะวางแล้วพ้นทุกข์นะอย่างทุกวันนี้จิตใจของเราต้องดิ้นรนมากมายเนี่ยเพราะเรายึดถือว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราถ้าเมื่อไหรเราไม่ยึดถือว่ากายกับใจเป็นเราเนี่ยมันจะไม่มีความดิ้นรนทางใจแล้วความดิ้นรนทางใจหรือตัณหาแน่หนึ่งตัวสมุทยัยที่จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นในปัจจุบัน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 แล้วก็ไม่ตกอยู่ใต้ตันหาปรุงแต่งทำงานทางใจแล้วเกิดทุกข์ซ้าซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งการปฏิบัติทั้งหมดนะไม่กรอบกว้างๆจะมีอยู่แค่นี้ต่อไปก็เป็นวิธีการวิธีการที่ทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้คนทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยยอมรู้ตัวเองถ้ารู้ก็รู้ได้นะไม่ใช่เรื่องยากอย่างหลวงพ่อเคยถามเด็กเล็กๆกนะัน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 พอมีความงงมันจะเกิดความยินดียินร้ายใช่ไหมมันจะอยากอยากรู้เรื่องี่ให้รู้ทันความอยากนี้ลงไปนะพอความอยากดับจิตเป็นกลางรู้ความงงด้วยความเป็นกลางความงงก็จะแสดงไส่รักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ดูนี่หรือฟังหลวงพ่อพูดแล้วแม้มันมีความสุขจิตใจมันสงบนี่รู้ลงใจจิตใจมันสงบพอจิตใจมันสงบแล้วมันยินดีนี่ชอบใจในความสงบให้รู้ทันความชอบใจความยินดีนี้ ถ้ารู้ไม่ทันจิตใจเราจะเพลิดเพลินหลงไหลอยู่ในความสุขในความสงบ อ, อีกง่ายๆอย่างนี้เองนะสภาวะทางจิตใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเห็นเรื่องที่ดูได้ง่ายๆลูกเล็กๆแดงมันก็ดูเป็นนะส่วนสภาวะทางรูปนี่ดูยากนิดนึงคนจะดูกายได้ดีต้องทําสมาธิการานุกัศนาหรือรู้เวทนาเนี่ยวเวทนานุกัศนาเนี่ยหมอะกับคนเล่นฌาน เติดจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสสนาเหมาะกับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ทําฌานหลายคนเข้าใจว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตเมืม่อสักเดือนก่อนนะมีอาจารย์อภิธรรมด้านหนึ่งเข้าไปที่วัดหลวงพ่อเขาบอกว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตนะครับของใครสอนนะ่ะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนอ่ะไม่มีนะพูดเราเองคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายง่ายดูจิตยากนะครับ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 พวกเวทนาเนี่ยเหมากับพวกอินทรีกล้าดูยากเพราะฉะนั้นกายเนี่ยง่ายกว่าเวทนานะไม่ใช่กายง่ายกว่าจิตนะนะส่วนจิตเนี่ยจิตและธรรมเนี่ยเหมาะกับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากนะจิตดูง่ายธรามานุกษัษณณ์เหมาะกับพวกมีอินทรีแก่กล้าโดยเฉพาะมีปัญญาแก่กล้าถ้าปัญญายัางไม่กล้านะก็ดูจิตไปนะท่านไม่ได้เทียบกายกับจิต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 ให้ดูอาการของจิตใจนะจิตใจวิ่งไปทางตาก็รู้วิ่งไปทางหูก็รู้วิ่งไปทางใจก็รู้เนี่ยดูจิตดูจิตก็ดูความรู้สึกอันนึงดูกิริยราอาการของจิตใจอีกอย่างหนึงนะ่งถ้าดูความรู้สึกก็จะเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายไหลมาแล้วไหลไปผ่านมาแล้วผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนะถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นว่าจิตนี้เกิดดับ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 สังเกตไม่ฟังหน่อยๆแล้วก็ไปคิดฟังหน่อยๆแล้วก็ไปคิดสลับไปเรื่อยๆเนี่ยให้หาดู้ของเราไปไม่ได้เรื่องยากเย็นอะไรนะคนในโลกนี้มันมีความทุกข์ขึ้นมาทางใจเพราะอะไรเพราะว่ามันแอบไปคิดแล้วไม่เคยรู้ว่าแอบไปคิดคนะวามทุกขนะ์น่าเสื่ตอนหลงไปคิดเท่านั้นแหละความทุกข์ทางใจอะนะนะนะคิดๆไปก็รุ่มใจคิดไปก็ดีใจเนละาดีใจแล้วก็ชอบชอบแล้วก็อยากได้อยากได้ก็ทุกข์อีกแล้วนะ เวียนไปเวียนมากลับมาหาความทุกข์เป็นได้นะความทุกข์ทางใจมันเกิดทีเปลือกนะถ้าเรามีสติเรารู้ทันว่าใจไหลไปคิดตั้รู้สึกขึ้นมานะใจตื่นขึ้นมาใจไม่ทุกข์ละแนะค่สังเกตนะนั่งฟังหลวงพ่อพูดไม่ได้นั่งอย่างเดียวไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะถ้าใครเห็นตรงนี้แล้วการปฏิบัติอย่างง่านยะไม่มีอะไรเลยวันวันหนึ่งแค่รู้ทันใจของเรา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 สังเกตให้ดีขณะที่เราคิดเนี่ยบางครั้งรู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ขณะที่คิดนั่นแหละเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสนานะวิปัสนาคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงคาว่าเป็นจริงคือเป็นไรลักษนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้คอยรู้เอานะคอยรู้ไปเรื่อย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 เะฉะนั้นเวลาไหนจิตใจเราว้าวุ่นสับสนดูอะไรไม่ออกนะเราก็ไหว้พระสวดมนต์นี่ก็ได้สมถะแล้วนะทำอะไรไม่เป็นนะพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธให้ใจสบายแต่อย่าพุทโธเราไปเข็นใจนะว่าพุทโธเราต้องสงบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวบางนวัาพุทโธพุทโธอยู่ได้อนะเพราะมันไม่สงบสักทีมันโมโหนะแต่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธนะสบายใจ ก็นะใจสบายรู้ว่าสบายไมนะ่กลับมาดูจิตดูใจได้ลนะเเรนั้นสะมถะก็ทํำทําตามความจําเป็นแต่ทำทำมากแล้วก็ติดในความสงบเฉยๆไม่ยอมเดินปัญญานี้ใช้ไม่ได้เลยนะเสียโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ทั้งทีนะต้องเจริญปัญญาต้องทํำมิปัสนานะสมถะนั่นะเป็นเรื่องง่ายาศาสนาอื่นเขาก็มีนะไม่ใช่ของลึกลับอะไรใครๆก็ทํากันเยอะแยะ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 มันอยู่ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะหรืออาณาปานสตินะขับรถแล้วก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเหนืยก็ชนกับเขานะแต่ถ้าขับรถตื่นตัวรู้สึกตัวถูกเขาปาดหน้าโมโหรัว่วโมโหนี่ปิดไฟแดงแล้วหงุดหงิดรั่วหงุดหงิดนี่ยนะกรรมฐานที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะที่มันเหมาะกับคารวานะคือหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองไปมันไม่มีรูปแบบไม่มีพิธีการคนอื่นไม่รู้ว่าเราปฏิบัติ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 แต่ถ้าขาดสติอันเดียวเนี่ยทากรรมฐานอะไรก็ไม่ได้เลยเหมือนกันหมดแหละพุโทโธแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะหายใจแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้ดูท้องผองยุบแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้หรือหายใจแล้วก็เพง่งดูท้องผองยุบแล้วก็เพง่งจิตใจแข็งแข็งทื่อทื่อแน่นๆน่ไม่ใช้ไม่ได้เหมือนกันดนะังนั้นฟังหลวงพ่ออดทนนิดหนึ่งนะหลวงพ่อไม่เคยเก็บค่าเล่าเรียนนะฟังฟรีหนังสือก็แจกให้ซีดีก็แจกให้เอาไปฟัง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 รู้เลยว่าความฝันจริงๆคือความชิดใช่ไหมหัดเจริญสติให้ชำน้ชํานาญนะทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะร่างกายก็นอนกนนลนัวคลอกๆไปอยู่นั่นแหละแต่จิตใจของเราภาวนาของเราไปเรื่อยนะทั้งวันทั้งคืนแล้วทําไมมันจะไม่ได้ผลเร็วล่ะเห็นไหมมันไม่ย่อหย่อนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นเวลาปฏิบตัติอีกสิชั่วโมงไม่ต้องปฏิบตัติไม่มีคํานี้นะรูปิดลงครอประโมทเนี่ยเจริญสติหลาคนบอกว่าของหลวงพ่อง่ายๆไม่มีรูปแบบ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 นิพพานอยู่ต่อหน้าตาเรานี่เองเมื่อไรใจของเราเข้าถึงสันติสุขหมดความอยากหมดความวิ่นรนหมดการทํางานเราจะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้านี้เอง <c oughs> แล้วเราจะมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยไมใ่ใช่ของหมดสมัยแล้วนะใครทําใครได้นะ <c oughs> อ่ะทันนี้พออ <c oughs> ีกโยมถามไม่ไม่มีไม่มีหนึ่งไม่มีสองอ่ะ <c oughs> ในมห ก, การหลวงพ่อคะ่ะเรื่องขออริยที่เธอกราบเรียนผลการปฏิบัตินะคะทระเจ่าก็จะถูกผิดประการใดคือเริ่มเริ่มตั้แต่เจริญสติปัฏฐานสีนะคะปฏิบัติไปเข้าสู่พัฒนายานที่เห็นไกลลักเห็นไตรลักเนี่ยจะเน้นหนักในความที่เป็นอนัตตาคือความว่างนะคะแล้วก็พัฒนาสู่การเห็นอริยสัจสี่โดที่รูปคุกษัตร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 เห็นสมุ okay. ิก็เห็นที่มุดในตุดเดียวกันนะคะเอ่อเดี๋ยวไอ้ที่พูดมาก็ถูกแล้วนะถูกครับนี้การปฏิบัติของเราก็คือให้เราคือถ้าการที่เราคิดพิจารณาธรรมะไปนะใจเราอย่างเข้าไปสู่ธรรมที่โยมกลับมาเนี้ยถูกต้องแล้วนะ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 แล้วก็ยังยังแน่ใจอยู่ว่ายังจะต้องก้าวลืมต่อไปที่นี่วันนี้ที่มากราบนักการท่านก็อยากจะทราบว่าจะทุกนี้เนี่ยจะควรจะิปันแบยังไงของของโยมนะสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงนะใจจะต้องตั้งมัน่นนะใจขนาดเนี้ยมันกระจายออกข้างนอกกว้างๆมันพิจารณาภายนอกแหละให้ให้ทับความรู้สึกนะให้ใจมันตั้งมั Shut ่นมากกว่านี้นิดนึง อย่างเนี้ยรู้สึกไหมใจเราไหลไปในโลกของความคิดในขณะเนี้ยใจเราแรงไหลไปะใจยังมีการเคลื่อนไปนะคือถ้าเมื่อไร่ที่เราเห็นทุกขแจมแจ้งนายจนล้าสมุทัยเห็นนิโรธแล้วเนี้ยจิตใจเราจะเป็นหนึ่งใจจะไม่เป็นสองปต่นะจิตของโยมเป็นสองโยมรู้สึกไหมมีจิตที่รู้สึกตัวกับจิตที่เผลอไปอย่างเงี้ยจิตที่อยู่ตรงนี้กับจิตที่ไหลไปอย่งจิตไหลไปในโลกของความคิดน ยังมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะโยมให้ให้ไปรู้ทันตัวนี้หน่อยโยมรู้สึกไหมบางทีใจมันอยากพูดขึ้นมาเจ็นริ้วๆขึ้นมาเราก็รู้ทันมันนะใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันมันเนี่ยขณะนี้แอบไปคิดให้รู้ทันมันคือถ้ามันเข้าถึงการเห็นอริยสัจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่มีการแยกเป็นสองส่วน ถ้าจิตอยู่ตรงนี้วิ่งไปตรงนี้ไม่มีการไปการมาแะมันจะเป็นอันเดียวรวดเลยหลวงปู่ดูได้ว่าจิตหนึ่งหลวู่มัน่นได้ว่าสีจิตโลกูเทศเรียกว่าใจท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตของโยมขนาดนี้ยมันไหลไปในความคิดโยมนึ่ออกไหมเพราะว่าประทานโทษเลยครับเพราะว่าขนาดนี้วันทีคือได้มีความรู้สึกตัวว่า จิตในขณะที่ปฏิบัติกับจิตที่นอกวิธีปฏิบัติเนี่ยมันยังทํางานไม่เสมอกันน่ายังไม่เสมอมันยังไม่จะไม่ได้โยมไปรู้ตรงเนี้ยค่ะแต่มีภาวะที่อยู่ในในในการที่ปะกัดปฏิบัติเนี่ยนะคะจะรู้สึกเป็นหนึ่งน่าเป็นหนึ่งแล้วก็ปรจาจจะครูตนและการคุ้มแข่งนี่โยมถ้าโยมสังเกตเห็นได้ตรงนี้แนละ้วดีมากละคือเราสังเกตเห็นว่าจริงๆจิตเรายังไม่เสมอกันยังมีสองอยู่นะ ให้รู้ทันนะรู้ลงไปอีกแล้วมันตอบแทนจะเหลือหนึ่งตอนนี้มันเป็นหนึ่งเฉพ้อในเวลาที่เราอ่านิพพานแบบมีเข้ามีออกนะนิพพานปลอมนิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกแล้วขอแทนโทษในชาดื้อขอใช้เวลาอีกนิดหนะึ่งเพราะว่าอยากจะทราบว่าที่ว่าท่านพูดทางตริยะว่ามรสีเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละครั้งที่เกิดเนี่ยจะไม่ซ้ํากัน ไม่ไม่ใช่เราจะต้องไปพะวงอะไรไม่ค่าว่าอะไรตรงไหนไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องเลยไ ม, ไม่ต้องเลยดูที่ผลว่า ด, ดูที่เหตุทําเหตุไปเรื่อยไม่คํานึงถึงผลนะแต่ถ้าภาวนาไปแล้วมันก็พอวัดผลได้เช่นสติเราเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะกิเลสย้อมจิตได้น้อยลงเรื่อยๆนะจนถึงวันหนึ่งปล่อยวางกายถึงวันหนึ่งปล่อยวางจิตนะนะถพอปล่อยวางจิตแล้วจิตจะเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยจิตจะใหญ่ครอบโลกนะ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 ที่เชียงใหม่พอตกค่ำเขากินเลี้ยงกันข้าราชการชอบกินเลี้ยทงทั้งๆ ท, ท, ที่ยากจนนะเหลวงพ่อหนีห น, น, นีไปวัดไปวัดสันติธรรมนีไปกลับท่านอาจารย์ทองอินอาจารย์ทองอินรู้จักท่านท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิษย์าไปถึงวัดสันติธรรมเนี่ยมันมืดแล้วมีพระองค์หนึ่งมายืนอยู่หน้าวัดพ้านหนุ่มๆเลย บอกว่าตอนเนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์มาอยู่ที่วัดสันติธรรมมาพักพักอยู่ท่านไม่สบายให้ไปหาท่านหน่อยจะมาบอกไม่หาหรอกไม่รู้จักจะมาหาอาจารย์ทองอินเสร็จแล้วไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะจนดึกเลยออกมาหนาวจับเลยนะตอนนั้นมืตดตึ่นตื่นเลยหนาวมากเลยออกมาจากคุติอาจารย์ทองอินนะเช้าวันนี้ยังยืนอยู่หน้าคุติรบเร้าตลอดเวลาเลยบอกไปหาหน่อยไปหาหน่อยเราเสียไม่ได้นะก็ไป ก็าขึ้นไปถึงปุติท่านนะท่านท่านไม่สบายท่านยังไม่ยกเข้าห้องนะท่านนอนอยู่ที่ตังเอาผ้าคลุมโปงไว้ก็ขึ้นไปถึงระเบียงชั้นบน ท, ท่านนะท่านก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าเลยพอานายังไงมาก็เล่าเล่าคล้ายๆโยมเล่ายี่เนี่ยเร่าไปต้อามาดนท่านตะคอกเอานะ เฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนายังไงนึกว่าท่านสั่งไม่ออกนะเล่าอีกทีหนึ่งนะโดนท่านตะคอกอีกเฮ้นิพพานอะไรมีเข้ามีออกโนเลิกเลยนิพพานหนึ่งไม่เอาแล้วนะรู you, ้แลนิพพานปลอมนะนิพพานจะต้องเป็นหนึ่งนะไม่มีเข้ามีออกเสร็จแล้วพอใจเราวางความเข้าใจผิดตัวนี้แล้วเนี่ยกราบท่านนะลงมา พอใจเราโล่งขึ้นมานะท่านหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังเลยหัวเราะดังเราก็คลึงใจท่านหัวเราะตามไปด้วยเนี่ยเราไม่ไม่ชำนาญไม่รู้ลูกเล่นของครูบาอาจารย์วัดป่าะท่านทดสอบเราเอนะเพราะเราที่มันทะลึ่งน่าดูเลยนะท่านแก้งหัวเราะเราก็หลงตามพอท่านหยุดตึกเลยนะอยู่ๆท่านหยุดตึกเฉยไม่มีอะไรเลยเราก็ตามท่านบ้างนะหยุดบ้างเฉย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 ที่ลมกระทบกี่แห่งนะหกฐานเจ็ดฐานแปดฐานสิบฐานอะไรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะขยับมือมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยนะทําไมท่านไม่สอนแต่ท่านสอนธรรมารวนๆสอนอริยสัจนะทุกข์คือกายกับใจให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงนะรู้ทุกข์แล้วละสมุทยัยแจ้งนิโรธนะนะสอนอย่างนี้นะสอนบอกว่าไม่สุดโตงสองข้างนะไม่เผลอไปใจลอยไปไม่ปีกพิงกายเพิงใจบังคับกายบังคับใจที่สอนง่ายๆอย่างนี้นะ หรือสติปัฏฐานนี่ท่านสอนใช่ไ้มนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดหมายถึงรู้ว่ารูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ก็รู้ว่ารูปมันเดินไม่ใช่เราเดินใจมันเป็นแค่คนดูหรือว่ามีความุขก็รู้มีความทุขก็รู้ไม่ได้ให้ทำอะไรให้รู้หรือสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะ ไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายมีราคาแล้วให้ละเสือไม่ได้สอนอะไรเลยสอนง่ายๆเลยเดีย๋ยวพวกเราพอได้ยินบอกว่าให้ดูจิตสมมดูจิตเราเริ่มตั้งคําถามแล้วนะจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีจะตั้งไว้ตรงลิ้นปี่ดีไหมหรือจะตั้งไว้ที่หัวใจหรือไง นี้เป็นคำถามที่เกินกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนน ะ, น ะ, พ, ะพุทธเจ้าสอนแค่ว่าจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคาเราชอบคิดให้เกินนะเอาจิตไปตั้งตรงนั้นจิตไปตั้งตรงนี้กํางงนกหนดอย่างนั้นกําหนดอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดนยของเราเก้าวไปก็ต้องมีหลายจังหวะอีกแั้วมีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอน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 เริ่มจากหายใจอย่างนี้หายใจแล้วต้องมานั่งถามนะต้องนั่งท่าไหนหายใจถามว่าถ้านั่งผิดท่าแล้วมันไม่หายใจหรื อ, อยังไงนะเอาต้องนั่งให้มันวางฟอรอมนั่งหายใจแล้วต้องรู้ลมกระทบที่ตรงไหนบ้างกระทบจะงอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานใช่ไหมกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องอะไรเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่รุ่นหลังๆเรามาสอนสิ่งเหล่า น, นี้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 สอนคารวะทั่วๆไปนี่แหละคารวะมาหาท่านใหม่ๆเลยไม่เคยฟังธรรมะมาเลยเนี่ยท่านสอนอันที่หนึ่งให้รู้จักทําทานนะให้รู้จักถือศีลนะนข้อสองนะทำทานถือศีลแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะมีความสุขสวรรค์ก็ยังไม่ดีนะไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นโทษนะทางออกจากกามมีอยูย่แล้วก็สอนอริยสัจสี่เพราะนั้นอริยรรสัจสี่เป็นธรรมะทั่วๆไปที่ท่านสอนกระทั่งกับคารวาะ หลายคนมาบอกว่าหลวงพ่อปราโมทสอนเรื่องอริยศาสตร์สอนสติปัฏฐานอะไรนี้ยากไปยากไปขั้นต้นต้องหายใจท่านี้ก่อนนีต้องเดินท่านี้ให้เป็นก่อนเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หลวงพ่อจำามาสอนต่อเนี่ยท่านไม่ได้สอนว่าให้เดินยังไงให้นั่งยังไงให้หายใจยังไงกินข้าวมีกระบวน่ายังไงอาบน้ามีกระบวนกายังไงนะท่านไม่ได้สอน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 จิตใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลมันจะรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกเองเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เขาทํางานของเขาไปทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกะเนี่ยเขาละว่าเขาไม่ใช่ตัวเราอนนี้นะได้พระโสดาล้วตนะ่อไปขยับอะไรนิดนิ ด, น ด, นดหน่อยๆสติเร็วรู้หมดเลยนะกิเลสที่รุนแรงเกิดไม่ได้แล้วนะต่อไปก็จะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราเนะขาหมดกามและปฏิฆะ ต่อไปก็อย่าละความยึดถือจิตได้ตรงนั้นสังโยชน์เบื้องสูงไม่ขาดตรงนั้นเลยเพราะนั้นธรรมะมีอยู่เท่านี้นะมีเพียงเท่านี้อย่านึกว่ายากเกินไปสิ่งที่หลวงพ่อพูดสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือสิ่งพื้นๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คนยุคนน้นกับคนยุคนี้มันทกคนเหมือนกันแหละแต่คนยุคนี้มันคิดมากหน่อยนะคิดมากมันก็ยากนานเออ ่ทีพิยมผู้หญิงนั้นพูดนะก็ถูกต้องจริงๆไ ม, ไม่ไม่มีเลือกยุคเลือกสมัยหรอกนะธรรมะมีกลางอ้าวเชิญครับหลวงพ่อครับมีคำถามครับคือหลักคำสอนพระพุทธศาสนาพูดถึงละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทีนี้หลักการภาวนาเนี่ยเราก็จะพิจารณาทั้งจิต มองแนละจิตผองใส ใ, ในโลกปัจจุบันรู้สึกว่าวนคนส่วนใหญ่จะมีจิตหมองมากกว่าจิตใสมไม่ทราบว่าจะมีวิธีปฏิบัติยังไงเพื่อให้ถึงจิตที่ผ่งใสได้ครับโอ้ถามดีมากนะถามดีถ้าเมื่อไรมีสตินะก็เป็นอันละชั่วเมื่อไรมีสตินะก็เป็นอันทําดีเมื่อไรมีส ต, นะนนสติจิตก็ผ่องใสถามว่าคนสมัยก่อนจิตผ่องใสเยอะคนสมัยนี้ผ่องใสน้อย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 แต่ว่าเขาลืมไปอันหนึ่งนะถ้ามีสติก็มีศีลนะถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติก็มีปัญญาดังนะนั้นเรามีสติบ่อยๆนะเดี๋ยวจิตเราผ่องใสผ่องใสนะผ่องใสมากๆเลยเพิ่งมีโยมมาเล่าเมื่อวานนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งแต่ถึงก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทใครกันหลายคนไม่ได้นัดกันนะไปไปท่านบอกไม่ต้องบอกท่านก็รู้พวกมีสว่าง ตรงนี้จิตสว่างจิตใสมันตื่นใจมันห่องใจแล้วเราไม่ได้ภาวนาจนกระทั่งมืดตืต่นนะไม่ได้ภาวนาจนเครียดนะตามสถิติคนที่มาเรียนกับหลวงพ่ อ, อยังไม่เคยมีบ้าสักคนเลยนะอมีแต่คนบ้ามาเรียนหลวงพ่อเลยต้องขอร้องญาติโยมนะถ้าพวกบ้าแล้วพาไปหาหมอนะไม่ต้องพามาหาหลวงพ่อนะมีครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งท่านใจดีท่านอยู่ทางแม่สอนเะพื่อหลวงพ่อมาหาวิบูล คนมีความทุกข์เนี่ชอบไปนั่งเล่าให้ท่านฟังเลยท่านก็ใจดีนะท่านทอนส่วนฟังมันทุกวันเลยฟังฟังแล้วท่านก็เหนื่อยเครียดนะท่านตัวเทศพระโพธ่สัตว์ท่านอกอุ้มสัรพสัตว์สัต์มันก็ทุกทุกมาหาเล่าเล่าเล้วสัพพสีท่านชอบทำกระสินทำสมาธิพักผ่อนส่วนหลังหลังคนมาขวนท่านไม่ได้ทำสมาธิเป็นรูปแบบอะไรแล้วข่วนแล้วท่านก็เหนื่อยมากปวดหัว ท่านก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าปวดหัวควรเอาทุกมาให้ท่านเยอะแยะเลยแต่ละวันลูกศิษย์าแล้วหลวงพ่อทำไงอ่ะต้องฉันพาลานะไม่ไหวแ ล, นะล้วนะงั้นหลวงพ่อไม่ยอมฟังนะเห็นไหมใครจะมาลำพึงลำพันนะสามีทิ้งลูกดือ้อไม่แก้ปัญหาเอาเองนะ หลวงพ่อไม่เคยมีลูกไม่รู้ว่าลูกดื้อจะแก้ยังไงหลวงพ่อรู้อันเดียวว่าถ้าเรามีสติไว้ความทุกข์มันจะไม่มาเชิญเชิญคราวที่แล้วที่ไปที่ศิลชานหลวงพ่อบอกว่าผมรีบเกินไปไม่ทราบว่ายังรีบอยู่ปับใจตอนนี้มันเกินธรรมดารู้สึกเต้นใช่ไหมใจมันเต้นเต้นแล้วมันเจ้าไปข้างนอกนะแล้วมันก็ตรึงความรู้สึกไว้ข้างในประคองไว้กําลังไปประคองแล้วเหรอครับ ต้องทําอะไรเพิ่มไหมครับไม่ทําให้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนเดิมไหมเออความตับมีรูปเดียวครับรู้ตามความเป็นจริงครับเวลาไปที่วัดหงท่อนะถ้าใครไปนั่งฟังแล้วจะงงนะคนหนึ่งมารายงานหมูนี้โทสะเกิดบ่อยเออดีดีอีกคนหนึ่งหมูนี้ใจนะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วสงบเออดีนะดีให้มนบอกอะไรนะหลวงพ่อว่าดีหมดเลย เพ่าอะไรเพราะว่ามันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันดีทั้งนั้นแหละสกัดได้ครับหลุงพ่อเมื่อวันก่อนหลุงพ่อบอกว่าให้ผมดูว่าเออมันเพ่งไปมันเท่งมันยังให้ดูว่าเพ่งนะครับก็คือว่าบางครั้งผมก็ดูว่าเพ่งแต่ว่าบางครั้งพอเาเพ่งแล้วผมก็เออก็พยายามไปทํางานไม่ก็สนใจมันแล้วให้มันเพินแล้วก็ดูใหม่ครับแต่ทีนี้บางทีพอดูใหม่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกตัวแตไม่รู้ว่าหรือว่าไปเพ่งหรือเปล่าบางทีก็ดูไม่ออกว่าเพ่งนะครับ มันดีขึ้นแล้วเพ่ง <P en ic> น้อยลงใจเบาขึ้นสบายขึ้นโปร่งๆขึ้นแต่ขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวรู้สึกไหมขนาเนี <c ười> ้ยใจมารอคําตอบเหรอรู้สึกไหมอันนี้หายไหมหายอันนี้รู้สึกตัวบ้างยังครับยังกําลังอยาก <c ười> ได้คําตอบรู้สึกไหมมีความอยากรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจกําลังดิ้นลุกหลิกหลุดหลีกอยู่เลื อ, อกไหม <c ười> กำลังบังคับตัวเองอ่ะทราบไหมถ้าตับ <ic> <c oughs> เออย่างนี้สิเองที่ถึงจะใช้ได้ะไม่ต้องดีก็ได้นะเรียนกับหลวงพ่อเห็นกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสดีนะมาตรฐานหลวงพ่อถือว่าสอบผ่านแนะมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสใช้ได้มีกุศลรู้ว่ามีกุศลใช้ได้มีกุศลไม่รู้ว่ามีกุศลใช้ไม่ได้นะนี่มาตรฐานนี่ไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดี จิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลอยู่ใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนะดีจิดอกุศลแล้วไม่รู้ว่าอากุศลนะเร็วสุดๆเลยประชานนี้เอาดีไม่ได้ละรู้สึกว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อจะรู้สึกว่าเก่งกว่าปกเติเป็นธรรมดานะมีนะบางคนไม่เตรียมตัวนะแอบมาถ่ายรูปหลวงพ่อแล้วไปขยายใหญ่ๆปิดไปรอบบ้านเลยเสร็จ แ, แล้วพอเดินท่านี้สง่างนะ อัานมาทางนี้ก็ผงาดน ะ, ะเสร็จแล้วมาท้าบามหลวงพ่อจะเอารูปมาถวายได้ไหมหลวงพ่อไม่เอาไม่อยากเห็นนะะเอาไปเผาที่ไหนก็เอาไปเลยนะมีอยู่คนอุตส่าห์เอามาให้อ่นไปเลิกเลยหลวงพ่อหาเหยื่อแจกต่อไปได้ส่งไม่ได้ไปขเขาขาดนะครับแล้วพอรู้สร็จโสรแล้วเมื่อกี้เขามารูเขาก็รู้แล้วมันทาไงต่อ ให้รู้กําลังสงสัยว่าจะทํำยังไงดีรู้ลงปัจจุบันไปนะครับรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยความรู้สึกของเราเปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวงงอ่างเงี้ยนะเดี๋ยวรู้สึกสบายใจนะเดี๋ยวแข็งแข็งทึ่อๆเกลงๆดูนะไปเรื่อยๆเข้าใกล้หลวงพ่อก็เกรงมากหน่อยส่วนมากกลัวความลับล้วไหล ไม่เกิดโปงนะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วัิชาการเจ้าดหวงพ่อหนูเป็นลูกศิษย์ใหม่เพิ่งมาครั้งแรกนะเจคะหนูจะเรียนถามว่าเออหนูเคยปฏิบัติมาแต่ไม่เหมือนแบบนี้ mm. มาอันนี้เป็นอันที่สามที่หนูรู้ครั้งแรกนี่หนูไปแบบรู้แล้วทิ้งแล้วพอ เริ่มทุกใครทําอะไรให้ไม่ดีอย่างนี้ก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยพอมาเจอเขาทําไม่ดีแบบเก่าก็เกิดความรู้สึกนั้นในอีกหนูก็เลยคิดว่าผิดและเพราะว่ามันเป็นอนุสัยพอเจอปุ๊บทิ้งหนูก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาครัวนี้หนูก็มาทางหลวงพ่อทูล น, น้อมอย่างเช่น เ, เวลาหนูตั้งข้าวลูกชายแล้วอยู่ลูกชายอิ่มและเขาไม่บอกอิ่มเขาคายพรวามาบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เขามำังเล่นอยู่เลย ถ้าหนูพูดแหนูก็รู้ตัวแล้วหนูโกรธนะโอ้ทาไมขังขยะไม่คายไม่คายกระดาษทํำไมมาคายท่านสอนให้น้อมหนูก็น้อมน้อแล้วเราละเราเคยคายหรือปฏิเสธอันนี้กับอย่างนี้กับใครไหมหนูก็นึกขึ้นได้ว่าเออหนูเคยเวลาคนก็ชวนกินข้าวอร่อยอร่อยหนูอิ่มแล้วหนูก็อุ้ยไม่เอาอิ่มแล้วแม่ซื้อสุกข้าวมาอุ้ยเจ้านี่มันเห็นอร่อยหนูเห็นตัวเองแล้วว่าโอ้เนี่ยเราก็เป็น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 มันคล้ายๆมันลงทุนแล้วปรุงกิเลสอยากขึ้นมาถ้าสติรนะนะเราไวเน้นนะกิเลสจะดับทันทีมันปรุงแล้วมันขาดทุนแต่ถ้ามันปรุงแล้วมันกําไรนะมันโทรสาขึ้นมาทุบลูกไปห้าทีแล้วนะทุบลูกแล้วก็ลูกร้องไห้จ้าตัวเฉียวเศร้าใจเศร้าใจก็เป็นโทรสารอีกตัวหนึ่งเนะนี่ยสะสมอนุสัยไว้มากๆมันะอนุสัยมันเป็นความเคยใจที่จะทําชัว่ว เพราะนถ้าหากกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเราตอบสนองไปเรื่อยๆไม่มีสติรู้ทันนะอนุสัยก็เพิ่มปุ๋นเหมือนคล้ายๆหัวเผือกหัวมันอะไรอยู่ใต้ดินนี้แหละมันงอกขึ้นมานะถ้า ง, งอกมีใบขึ้นมาถูกแดดถูกอะไรมันก็สะสมหัวมันก็ใหญ่ขึ้นถ้ามันงอกขึ้นมาสติเห็นขาดสติเห็นขาดนี่หัวมันจะต่อลงไปเพราะฉะนั้นในการที่เราจเจริญสติรู้จิตรู้ใจตัวเองอยู่ đây. ไม่ได้ละกิเลสนะแต่ละอนุสัยอนุสัยจะค่อยอ่อนกำลังลง กิเลสนั้นไม่ต้องไปล่ามันแค่มีสติกิเลสก็ดับแล้วะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นดังนั้นไม่ต้องฝึกเพื่อล่ากิเลสนะฝึกให้มีสติก ร, บรกาบพระประธาพระขุนเจ้านะคะไหนกราบอยู่ที่ไหนไหนคือหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติะคะ่ะก็ฟังจากซีดีของพระพุทธเจ้ามา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 กลางวักลางสว่างบ้างแล้วก็มืดบ้างมันจะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆค่ะก็อยากจะทราบว่ามันเป็นนรอะไรแล้วก็ไม่เหมือนรถไปิ้าใต้ดินนะกล้องลงอุโมงค์นะแทนเออเดินจงกรมไหมแทนที่จะไปนั่งให้เคล้มเคลิ้มเราเห็นนู่นเห็นนี่นะลืมตาขึ้นมาอย่านั่งหลับตาเคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมใอ่ฮะนั่งสมาธิก็นั่งลืมตานะหมขนาดนอนยังนอนลืมตาเลย แล้ะนอนก็ลืมตาพ้านั่งก็ลืมตาถ้าเดินก็ลืมตาเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นความรู้สึกตัวเพรา ะ, ะเราอย่านั่งให้เคลิมนั่งแล้วรู้สึกตัวไปนะนั่งแล้วก็ดูจิตดูใจของเราไปนะหรือไม่ก็บริกรรมไม่อย่าให้เผลอพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้ใจหลงไปอย่าให้ใจเคลิมค้มไปทางที่ดีนะกระดุกกระดิกไว้ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวไวนะ้ดีกว่าทํากรรมฐานนั่งนิ่งๆแล้วซึมลงไปแล้วเห็นนู่นเห็นนี่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 แต่ว่าทางที่ดีนะรู้สึกตัวไว้เคลื่อนไหวนะจะเหลียวซ้ายแลกขวารู้สึกตัวไว้เนี่ยขนณะนี้ยจิตสว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมให้มันรู้สึกไว้อย่างเนี้ยอย่าน้อมให้ซึมเนี่ย<ก>อยา ก, กพูดและ่ะรู้ไหมเหมือนเหมือนตัวเองกําลังพุ่งรู้สึกว่าตัวเองกําลังพุ่งอยู่แต่มันหยุดไม่ได้ไม่ได้หยุดนะให้รู้ทันให้รู้ทันใจที่อยากหยุดนะให้รู้ทันที่จิตเราไม่ไปรู้ที่อาการของมันดอก ก, ก็อยากถามว่าอย่างอยงตัวผมเมงเนี่ยควรจะฝึกอะไรหรือว่าอะไรยังไงต่อครับผมอะไรนะหลวงพ่อคือควรจะต้องทํำยังไงเวลาฝึกเนี่ยเอออย่าอยากฝึกะอะแรกเลยเพราะว่าพออยากฝึกเนี่ยเราจะไปข่มตัวเองให้นิ่งนรู้สึกใจตอนนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงไหมแล้วเลิกซะ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 รู้มันจะรู้ไหมว่าเรามีสติมาจาไไับอะไรตอนไหนยังไงครับคือถ้าถ้าเคยฝึกจนกระทั่งจิตจําสภาวะได้นะสติถึงจะเกิดอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกต้องหัดรู้จักสภาวะนะหัดดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี้ยตอนนี้ใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมใจไหลแป๊บๆไปนะถ้าหัดรู้จกักจะต่องรู้จักหนีไปคิดไหมถ้าใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะฝึกแค่นั้นก็พอละ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 พอมันรู้สึกตัวปุ๊บมันเหมือนมันหลุดออกมาจากตรงนั้นนะครับหลวงพอ่อคือ<ต>เล้วพอดีบางครั้งดูดจิตดีดีมันก็ไปดันไปรู้สึกกายครับหลวงพอ่อโดยที่เราไม่ได้จงใจรู้สึกนะครับเออแน่นอนใช้ได้คือสติเนี่ยเป็นอนัตตานะสติเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยสั่งให้เกิดไม่ได้นะแต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะไปรู้กายหรือมันจะไปรู้ใจก็เลือกไม่ได้อีก นั้นสายกายสายจิตอะไรเนี่ยมันพูดตอนเบื้องต้นเท่านั้นจุดตั้งต้นบางคนดูกายแล้วเกิดสติบางคนดูจิตแล้วเกิดสติแต่เมื่อเกิดสติแล้วเนี่ยมันดูทั้งกายทั้งจิตสติเดี๋ยวก็ระลึกรู้กายถ้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันเด่นนะสติก็ระลึกรู้กายเห็นแล้วแล้วก็บรรยากก็รู้ทันสมาธิคือใจตั้งมัน่นเห็นกายเคลื่อนไหวปัญญาเกิดเห็นกายไม่ใช่เรา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 แต่ถ้าลูกค้าเชื่อว่าเราไม่มูสานะธุรกิจน่าจะดีกว่านั้นหมดเวลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อฟาวเสียนีดเดียหลวงพ่อมาสอนที่นี่เกือบปีและนะวันนี้เดือนธันวาแล้วพอหรือยังนะจะได้เลิกว่าไงว่าไงยังหรอรู้สึกเหนียวแน่นนะ แต่พกเรารู้สึกอะไรอย่างไหมพวกที่มาฟังหลายๆรอบแล้วรู้สึกไหมใจของเราสว่างมากขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมความทุกขส์สั้นลงสั้นลงรู้สึกไหมเนี่ยถ้าสังเกตนะคนไหน ม, มีตาที่ไหวๆหนะ่อยจะสังเกตคนในห้องนี้จิตสว่างสวัยเยอะมากเลยจิตใจจะโปร่งจิตใจจะโลง่งจิตใจจะเบานะเราสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเราได้ด้วยตัวเราเอง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 ฟังธรรมะนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วต้องคิดมากคิดมากแล้วจะไม่รู้เรื่องฟังไปเถอะฟังไปแล้วสติมันจะเกิดถ้าสติเกิดระวัดความรู้สึกของเรานะจิตใจเราไม่เหมือนเดิมจิตใจเราสงบมากขึ้นสะอาดมากขึ้นสว่างมากขึ้นสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นความทุกข์สั้นลงสั้นลงกนะิเลสอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปนะแล้วการดำเนิชีวิตของเรานะมันประณีตขึ้น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 ต่อไปคนในที่ทํางานก็เย็นหลายคนมารายงานบอกเพื่อก่อนลูกน้องนะมันขี้เกียจนะมีคนหนึ่งมาจากเชียงรายบอกทําธุรกิจใกล้เจงแนละนะเครียดมากเลยมาหัดดูจิต ด, ดูใจดูสบายใจนะสบายใจเดินเข้าไปที่ทํางานทุกวันเคยหงิกงอๆเครียดจัดในนี้เดินเข้าไปยิ้มแยม้มสีแรกลูกน้องก็ผวานะนึกว่ามาไม้ใหม่แนะต่อมาเ อ, อิมยิ้มจริงๆเนี่ยดูมีความสุขจริงๆนะคนในรอบๆตัวเริ่มมีความสุข ลูกน้องเคยแยกเคี่ยวใส่ลูกค้านะมันเริ่มมีความสุขเนะมีความสุขเที่จะค้าขายลูกค้ามานะยิ้มแย้มนะบกวันนี้ออเดอร์เข้าเคียบเลยทําให้ทันเนี <Okay. S 1> ่ยอยู่ที่ใจเราเองนะใจเราพัฒนาใจของเราให้ดีก่อนคนรับรับตัวมีความสุขขึ้นนะแล้วก็ไปดํารงชีวิตด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีศีลธรรมะชีวิตก็จะดีขึ้นนี่เป็นพรทีใหม่นะพรที่ต้องทําเอาเองะ พรที่บอกให้ดีโชคดีดำเนินพรหลอกเด็กอ่ะพอ